ม ن ز ر ن ا ه في ليلت القدر وما أدراك ما, ما ليلت القدر ถ้าจริงเราได้ประทานอันกุราณ ล, ลงมาในคืน อ, อันกวดักและอะไรเล่าที่จะทําให้เจ้ารู้ได้ว่าคืน อ, อันกวดักนั้นคืออะไร ليلت القدر خير من ألفشه